ตังวุตัง่งมตงปิจัุตเตมยบมโาวาอจักมนาเตปิคุภวตโตาสิตัอาภินนุจบจบจบด้วยแสดงอนิสงส์ ท่องบนสวดมนต์ภาวนาท่องบนสวดมนต์ภาวนาเป็นหน้าที่เป็นงานเป็นงานพัฒนาเป็นงานพัฒนาใจของเราเป็นการพัฒนาจิตท่องบน ท่องวนกลับไปทวนกลับมาทวนกลับไปทวนกลับมาหรือบ่นพึมพำพึมพำพึ่มพำพึ่มพำอะแบบๆท่องบ่นหมายถึงท่องต้องท่องพระต้องการให้มันจําเหมือนในหนังสือเนี่ยถ้าเราจําได้เราก็ไม่ต้องดูถ้าเราจําไม่ได้เราก็หัดตรวจหัดท่องหัดอ่าน ท่องมนบทท่องเหล่านี้เป็นบทธรรมะนามนุคคำแปลเป็นบทธรรมะทั้งนั้นท่องมนสวดมนภาวนาทั้งหมดนั้นเป็นมนมนทุกอย่างาเาง่เราตั้งใจสวดเราตั้งใจท่องทำให้ใจเราสงบ เป็นการรำพรงกรรมพันธ์ถึงบทบทธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, สดงเอาวไว้และมันเป็นการใช้จิตอย่างเป็นระเบียบเพราะบทมนเหล่านี้เป็นบทที่ท่านเรียงเอาวไว้เรียบเรียงเยงอาวไว้ไม่เหมือนเรานึกคิดปรุงฟงสร้างไปตามสัญญาอรารณ์ไม่ใช่มันเป็นการใช้จิตอย่างเป็นระเบียบ เอาจิตม่จําสิ่งที่ท่านกำหนดกฎเกณฑ์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบมาแล้วมันเป็นการใช้จิตอย่างเป็นระเบียบท่องบนสวมดมนต์ตั้งใจสวดพึมพาพึมพา พ, พึ่พาท่านว่ามีอนิสงส์แผ่ไปให้มือจักรวาล มือโนกกรทาสวดเสียงได้ยินได้ฟังธรรมดาธรรมดามีอนุภาคแผ่ไปแสนจักรวาลสวดเสียงดังธรรมดาธรรมดามีอนุสงแผ่ไปแสนโกดจักรวาลตั้งใจสวด ด้วยเร็วด้วเร็วด้วยตักงกตั้งใจสวดเงื่อไหลไขย้อยเงื่อหยดป๊กป๊กปักปัมีอันนิสงแผ่ไปอนันตจักรวาลอะไรแผ่ไปที่ว่าแผ่ไปแผ่ไปนั้นอะไรแผ่ไปก็ธรรมะของพระเจ้าแหละ มันมีจักรวาลไหนบ้างที่ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีไหมมันมีจักรวาลใดบ้างที่ไม่มีกฎไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแผ่ไปหมดทั่วทรโลกธาตุแผ่ไปได้หมดถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราจะคิดว่าอะไรแผ่ไปอันนี้คิดว่าอะไร ธรรมะที่บระุทธจาทรงแสดงไว้นั่นแหละแผ่ไปสวดเป็นคําอุป ม, มาแผ่ไปได้เท่านั้นแผ่ไปได้ท่า น, ไไนี้แผ่มาที่ใจของเราเนี่ยแหละทําให้ใจของเราเนี่ยรู้รอบเพราะใจเราเนี่มันเป็นจักรวาลหนึ่งจักรวาลหนึ่งของมันใจของเราเนี่ยจักรวาลจักรวาล จักรวาลนของมันสิ่งที่อยู่แวดล้อมของใจที่ใจมันท่องเที่ยวไปถึงก็คืออะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคือธรรมารมอารมณ์ภายในใจนี่เป็นจักรวาลที่จิตของเรามันแผ่ไปมันไม่มีแผ่ไปไหนหรอกนอกจากตาหมมูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็รูเสียงที่รถโพธิภพธรรมารงจิตมันแพ่ไปนอกจากนั้นแล้วมันตกผลึกเข้าไปข้างในเป็นสัญญาอารมณ์เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกานะวิญญาณชีพวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณแพ่เข้าไปตกผลึกเข้าไปข้างในพบเห็จักกวาลของใจของเรา จากนั้นจากนั้นมาแล้วการกระโดดดิกพลิงแผลงการทํางานของของมันมันก็เป็นผัสสะเมันเป็นการกระทบมันก็กระทบตากระทบรูปหกูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบโพธิภพจิต ก, กระทบทธรรมารมมันก็อกนเก่านั่นแหละอันกล่านั่นแหละผัสสะจะมี เ, เหตุให้เกิดเวทนา มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่และอย่างแต่และอย่างถ้าเราไปไล่มันเกี่ยวข้องกันมันสื่อย่างนกันเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนำมาสแสดงเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของสังขารอยู่บนโลกใบนี้มันมีเหตุมีปัจจัยส่งถึงกันมีเหตุมีปัจจัยส่งถึงกันหมด สิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยส่งถึงกันก็คือการยึดมั่นถือมั่นด้วยสัญญาด้วยอุปาทานที่เรื่องเป็นเรื่องของตัณหามันไปกะไปเกณฑ์เปหมายนั้นเปหมายนี้ให้เป็นไปตามใจหวังของมันตามความลุกความคิดของหมันนั่นแหละสิ่งเหลนั้นแหละมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกีก่ยวกันเลยกันมันเป็นเหมือนหินหักต่อกันไม่ได้เลย ดูให้ชัดให้ละเอียดเข้าไปเราจะเห็นความงอของใจที่มันไปพายึดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พายึดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ย่อท่านจึงโศลเรารู้วยใจตอนให้เราด้วยใจที่เกิดขึ้นมนที่ตั้งอยู่ของมันแล้วที่ดับขึ้นมน ที vino, en en en paper, ่เก <cu> ิดของเหตุของปัจจัยที่เกิดของกายเหตุปัจจัยเกี่ยวกับกายที่เกิดกับจิตเหตุปัจจัยเกี่ยวกับจิตที่เกิดของจิตเหตุปัจจัยเกี่ยวกับจิตที่เกิดของธรรเหตุปัจจัยที่เกิดของธรร ทุกอย่างทุกเรื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยพันกันเป็นลูกโซ่เกี่ยวข้องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแยก่ ก, การเรือการเท่านั้นเหตุปัจจัยประชุมพร้อมมาที่ทำที่เราควรมองในใจของเราก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่กาย ความรู้สึกที่ใจความรู้สึกที่กายกายเบากายกระด้างกายหยาบกายละเอียดกายเย็นกายร้อนกายมีสุขกายไม่มีสุขเหยปัจจัยจของมันของกายเหตปัจจัยจอีกส่วนหนึ่งก็คือ สิ่งที่มาประชมพร้อมกันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของกายเหตุปัจจัยส่วนบะเอียดที่เป็นเรื่องของสมุทรไทยเป็นเหตุให้เกิดกายก็คือตันหาเหมือนอย่างพวกเราไปเกิดในท้างแม่เหตุปัจจัยที่มากับใจของเราเป็นเรื่องของตันหา ใจเรามีตัณหาใจเราไปหาจับจองที่เกิดที่เกิดในท้องแม่จับจองในท้องแม่จับจองอีกน้ำรมไฟของแม่ของพ่อของแม่ประกอบกันในท้องแม่เหตุปัจจัยของพ่อของแม่ไปประกอบกันได้ยังไงก็ตัณหานี่แหละมันพาไปประกอบตัณหาความอยากในใจของพ่อตัณหาความอยากในใจของแม่ แล้วก็ประกอบการเจริญพันธุ์ทำให้เกิดก้อนน้ำใสๆที่มันเป็นประสมกันในเท้าแม่กันเมนี่คือริดเดียของตัณหาตัณหาในใจของเราตัณหาในใจของพ่อของแม่นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของธรรมกับของกิเลสมันบวกกันเนื่องจากเราได้มา เราได้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเราได้รูปวัตธรรมเราได้นามธรรมมาเราได้สิ่งที่ไม่ไมบริสุทธิ์ปนเปื้อนมาด้วยคือกิเลสตัณหาอาสวะใจของเราคือทารู้คือผู้รู้เราอยู่กับผู้รู้อยู่กับทารู้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทารู้อยู่กับเราทุกวันทุกเวลาทุกนาที ถ้ารู้คือใจใจคือทารู้หากมันเป็นท่าอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่มันเป็นทารู้ที่ไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งเคลือบแฝงปนป น, ปนเปื้อนมาด้ว ย, วยคือกิเลสตัณหาอาสวะแท้ที่จริงก็คือเป็นพฤติกรรมของมันเองที่มันเกิดมาแล้วมีสิ่งเหลานี้ปนเปื้อนมาด้วยเคลือบแฝงมาด้วยมันสะสมมากี่กับการปรูเรชา เห็นสิ่งดีก็ชอบสิ่งไม่ดีก็ชังสิ่งดีเขายึดเข้ามาสิ่งไม่ดีก็ผลักออกไปมันเปนสิสัยอยู่อย่างนั้นยึดอยู่อย่างนั้นถืออยู่อย่างนั้นจนเป็นนิสัยจนเป็นสันดานจนเป็นอนุสัยจนเป็นจใจจนเป็นนิสัยของใจนะะยึดอยู่อย่างนั้นถืออยู่อย่างนั้นยิ่งไปเกิดบางกักบที่ไม่มีศาสนาธรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง เียกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเกิดในโลกที่มีหลักคำสอนศาสนาธรรมใีไปสอนบางกับไม่มีพระศาสนาบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปสอนเราก็อยู่อย่างสัตว์หากมีมนุษยธรรมอยู่ร้องเหลืออยู่เพราะคนเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีธรรมมีศีลมีธรรมติดน้าติตัวมาแต่กำเนิดมาบัตในโลกมนุษย์อ่าแสดงว่ามีคุณธรรมพอ มีเคยมีศีลเคยตั้งใจรักษาศีลมีธรรมเคยตั้งใจศึกษาธรรมพระพุธรมปฏิบัติธรรมบางทีมันจะเกิดในโลกสัตว์เลี้ยงฉันเกิดในโลกอบาย เ, เกิดในโลกอะไรอะไรโอกาสที่จะเรียนศึกษาเรื่องอ่านเรื่องธรรมไม่มีมันอับจนเพราะไม่มู่กับบางกับไม่มีพระพุทเจ้าประพุทธแต่พวกเราในโชคหนึ่งเราเกิดกับเดียวกับนี้ พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในระหว่างห้าพระองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาแล้วทาตัระศาสนาอยู่เท่านั้นปีเท่นี้ปีสสเสร็จแล้วก็สูญไปได้การได้คราวพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเช่นอย่างพัตตะกับพัตตะกับนี่ห้าพระองค์ ระหว่างองหนึ่งกับอีกองค์หนึ่งท่านเรียกว่าพุทธันดรนหนึ่งพุทธันดรนหนึ่งระหว่างพระพุทธเจ้าองหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งระยะการเวลาไปถึงพระพุทธเจ้าอีกองค์ที่จะมาบัตินเรียกว่าพุทธันดรนหนึ่งพุทธันดอนหนึ่งจากองค์ที่หนึ่งถึงระยะเวลาที่องที่สองมาบัติทเรียกว่าพุทธันดอนหนึ่งจากองค์ที่สอง ไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สามมาวัตท่านเรียกพุทธันนอนหนึ่งจากองค์ที่สามระยะการเวลาไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่มาวัตท่านเรียกพุทธันนอนหนึ่งจากองค์ที่สี่ไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้า <T> ที่ยังอยู่ยังมีอยู่อีกหนึ่งองค์หนึ่งพระองค์ข้างหน้าพระเสียายะเมตไตรท่านก็เรียกพุทธันนอนหนึ่งพุทธันนอนหนึ่งระหว่างพระพุทธเจ้า อันตราอันตรพุทธพุทธันดอนพุทธอันตราอันตรเรื่อว่าระหว่างกับกับกับก็จะเรียกว่าอันตรกับอันตรกับกับที่หนึ่งไปต่อกับกับที่สองระหว่างกับกับกับจะเรียกอันตรากับนี่กับนี้พระพุทธเจ้ามาบารมีพระองค์ พระกุศลโทรรรรรพระโคนาคัโนพระกัตสโปรพระโคตมโวคือพระโคโนที่เรายังศึกษาพระศาสนาของพระองค์ปฏิบัติพระศาสนาของพระองค์อยู่พระโคตมโมแต่องค์ไหนก็ตามที่จะเมาบัตรสอนเหมือนกันสอนให้ละชั่วสอนให้ทำดีแล้วก็สอนให้ปฏิบัติให้ละเอียดถึงขั้นสูงสุดทำใจให้บริสุทธิ์ สอนเหมือนกันหจะพับัสัตว์ก็ราะนังุศลสู้ะสัมพดาละชั่วให้ทำดีสิกิตต์ประโยชน์หนังหน า, นาทำจินให้บริสุทธิ์เรีต่างบุทธาและศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าเนี่ยเมาปัดด้วยอัดด้วยธรรมเหมือนกันหมดคือมารู้มาเห็นแจ่มแจ้งหลักอริยสัจ ทุกสมุทัยนิโรธมาเข้าไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่จะมาไคร์ครวนพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วทําให้เราเกิดการเบื่อหน่ายคลายจากอาการยึดมั่นถือมั่นเป็นการมาตักรอนกระแสของตัณหาอุปาทานในใจของเราท่านตรัสรู้ท่านรู้วิธีการนี้หลยด้วยเหตุเหตุอันนี้เหตุอันนี้เหมือนกับ อันนี้เนี่ยเหตที่เห็นเนี่ยเหมือนกับเป็นยาที่เราใส่เข้าไปที่เรารับทานเข้าไปในกายของเราทำให้โรคภปยในกายของเราเนี่ยเสื่อมไปหายไปถูกกาจัดถูกระงับให้หายไปเราเกิดมาพร้อมกับโรคโร ค, โร ค, โรคโอวิชชาตั้งา้าปาทาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับโรคมันแทรกมาที่ใจของเรา ทำใจรเราให้สูงสูงต่างๆำรุ่มรุ่มดอนดอนสุขทุกทุกสุสุขสุทุกทุกทุกทุกสุข ส, ข ส, ขสขอยู่นั้นแหละ <inac? S 2> เป็นสัตว์เลี้ย้อฉันมาเป็นมนุษย์ทำดีหน่อยมาเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมพรหม ร, ร, ร, รูปพรหมพรหมอารมณพรหมเสแล้วหมดการหมดเวลาหมดอายุใขตอกตก๊อลงไปมาเป็นมนุษย์ตอกจากมนุษย์ต๊อไปเป็นสัตว์เลี้ย้อฉัน ตกไปเป็นอาบายสัตว์ในนรกนะตามพฤติกรรมที si ่ตัวเองกระทําตามพฤติกรรมที่มนุษย์กระทำเองแลยทําให้พบชาติสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นร่อนร่อบ่งบอกไปถึงความสุขในหัวใจสุขสุทุกทุกทุกทุกสุขสุขสุทุกทุกทุกทุสุขสุด้วยเหตุมีผู้ตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเข้าใจ เข้าใจเพื่อที่จะศึกษาหลักเกณฑ์ของชีวิตให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้สุขอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์ศึกสาย่หม่จะได้รู้จะได้เข้าใจใจจะได้อามาละอามาวางละเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียจะเข้าถึงแต่ความสุขความเจริญตั้งปณิธานตั้งบรางบรมีขึ้นมาที่จะเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ปรารถนา บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณปรัถนาให้รู้เหตุรู้ปัจจัยเพื่อที่จะพ้นจากเกิดเก่บเจ็บตายนี้ไปได้พ้นจากวัฏัะสองสารนี้ไปได้และยังลงุสร้างบารมีประเภทปัญญาที่กะเหมืนอนพระโพธิสของเราเนี่ยสี่สอสงไขยแสนมหากรรมประเภทศรัทธาที่กะแปดอสองไขยสแสนมหากรรม ประเภทวิริยาที่กัปสิบหกอสองไขยสามเท่าสามเท่าของปัญญาบารมีสิบอสองไขยแสนมหากัปแสนมหากัปเราดูแต่กรรมหนึ่งกรรมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะาอุบวชทั้งห้าปรองเราดูซิเนิ่นนานเท่าไหร่แสนมหากัประยะเวลาเนิ่นานานขนาดนะั้นจากนั้นแล้วก็นับไม่ได้อสองไข่อสองไข่ สองไขไ่แปลว่า ก, การนับนับได้เหมือนหลักล้านเนี่ยเราไล่ไปถึงหลักล้านสิบล้านยี่สิบล้านไล่ไปจนหมดไม่รู้จะไม่มีเลขที่จะเขียนนั่นนะ่ะนับไม่ได้จะเรยกว่านับไมไถ่ายไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่จะมานับได้อส้งไข่อส้งไข่อ่าสี่อส้งไข่แสนมหา ก, กัุ๊บๆนับไม่ได้สี่ครั้ง ในวันในสีครั้งเนี่ยพระพุทธคดองของเราเนี่ยแค่พระองค์ออกปากเพลงออกทั้งปานะพุทธโธหมิอานาคาเตนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตการท่างบารมีแนะวัดออกป่ากพุทธโธหมิอานาคเตนตั้งความปรารถนาไอตอนที่ มีความยาง่งอยู่ในใจยังไม่ ไ, มได้เปลย อ, ออกมาเนี่ยอยู่ในใจนับไปแล้วยี่สิบอสองไข่นู่นดูสนานเท่าไหร่ดูที่ภบชาติเกิดมาเนี่ยนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์เอาพชาติของพระองค์มาเล่าให้เราฟังทำให้พระองค์ได้ปุกเพรีิวาส า, สานุสติญาณลึกย่อหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีสิจมเป็นกับกับเป็นสังวัตตกับเป็นวิวัตกั โอ้แล้ลึกไปเท่าไรเห็นหมดแล้ึกไปเท่าไเห็นหมดดูสิความเนื่องนานการเกิดการตายการเกิดการตายเกิดเป็นจักรเกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอินเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นอะไรเป็นหมดทุกอย่างกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่ในนี้แหละสูงบ้างต่ําบ้างสูงบ้างต่ําบ้างถูกตกจากที่สูงลงมาที่ต่ำจูถูกดันจากที่ต่ำไปขึ้นไปที่สูง ถ้าเราอยาเที่ยวแต่มันก็เราต้มอะไรสักอย่างนะะมันถูกความเดือดมันดันขึ้นมาน่ะดันขึ้นสูงๆมาแล้วก็ตกลงไปดันขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปดันขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปพบชาติของเราเช่นเดียวกันพบชาติที่มันสูงๆต่ำๆนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราทำดีทํางทำไม่ดีครับ ได้ีบ้างได้ไม่บ้างโซมากต่ำมากยาบ้างละเอียดบ้างความสุขความทุกข์มันไม่มีอะไรคงที่สักอยางสุขสทุกทุกทุกทุกสสกมีสุขมากมีทุกมีทุกมากมีสุขมาขั้นมีสุขมากแล้วก็มีทุกมาขั้นสุขสุขกทุกทุกขเป็นไปตามโรกท่านจึงเดียว่าโรคกระทโรคกระท โลกธรรมมีสุขมีทุกมียินทางมีสารเสริอมมีได้มาแล้วก็มีเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาได้มาแล้วก็เสียไปมีสารเสริญแล้วก็มีนิทามีสุขแล้วก็มีทุกมีสุขมีทุกมีทุกแล้วก็มีสุขเพราะพฤติกรรมขอเราทำไม่สม่ำเสมอ แล้วความเป็นไปทั้งนี้มันก็เป็นไปตามหลักของเหตุของปัจจัยเหตุปัจจัยมันก็ไม่สมองเสมอรวมทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นกองสังขารตดลอมมาเป็นกองสังขารรูปทดลอมมาเป็นกองสังขารนาเป็นกองสังขารทีู่ได้โปรดทุกที่นึ่ไโปรดที่นี่แม้จะเรื่องของบุญที่มาประกอบการให้เป็นบุญก็เป็นกองสังขาร บาบที่มันประกอบกันให้เป็นบาบมันก็เป็นกองสังขาร ก, รงา ก, ก, กรงอ ง, กกองกสังขารที่มาเกี่ยวข้องกับจิตของเรากองสังขารที่มาเกี่ยวข้องกับกายของเรากายกับจิตบวกกันก็เป็นก้อนสังขารอีกเป็นกองสังขารนี้สังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวไม่ใช่สิ่งนันเดียวมีอะไรบ้างในโลกเป็นหนึ่งเดียวมีไหมไม่มี ชี้ไปไม่มีชี้ไปที่พัดลมเราดูดิที่พัดลมมีอะไรบ้างมีเหล็กมีพลาสติกมีสีมีคนไกลอะไรอยู่ในนั้นมีกระแสไฟวิ่งนั่นคือส่วนประกอบสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบชี้ไปที่หลอดไฟมีอะไรบ้างก็รู้สิเป็นแก้วเป็นลวดเป็นอะไรอะไรมีกระแสไฟอยู่ในนั้นมีความสว่างนะฮะดูมีอย่เดียวไม่มี ดูไปที่เปลวเทียนถ้าเกิดเราจุดเทียนมีอะไรมีไฟกินไส้กินน้ํามันทําให้เกิดความร้อนทําให้เกิดความสว่างแล้วก็มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไส้หมดไปน้ํามันหมดไปบูทีมีลมมาตีสว่างริบปรีรีบปรีรีบปรีบปรีรีบ ป, ปีรีบปีรีบปีรีบปีรีบีรีบปีรีบปีรีบปีรีบปีรีบปีรีบปีรีบปีรีบีรี ประกอบไปด้ก้อนสังขารทั้งนั้นดูมาที่ตัวเรานี่คือก้อนสังขารที่ใดที่ใดเป็นก้อนสังขารที่นั่นเป็นก้อนทุกข์ที่ใดเป็นก้อนทุกข์ที่นั่นเป็นกองสังขารที่ใดเป็นกองสังข์ที่ใดมีกองสังขารที่นั้นมีภพที่นั่นมีชาติที่จะต้องไปเกิดในภพมันก็มีเกิดแล้วก็จากนั้นเราเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นวิโยคเป็นพระพระราในระหว่างที่เป็นอยู่ มีความตายเป็นที่สุดยังไม่จบ เ, เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายยังไม่จบ เ, เกิดอีก เ, เกิดแก่เจ็บตา ย, ายมันก็วนเปียนกันอยู่อย่างนี้แหละไม่จบเพราะงนพะพุทธเจ้าท่านสง่งบำเพเ็ญจนเต็มแต่ละประเภทแต่ละประเภทท่านส่งบำเพ็ญจนเต็มพอเต็มแล้วเราก็พิจารณาเกิดปัญญารู้เห็นเองโอ้มาสิ่งที่มาผูกพันกับจิตของเรานี่เอง ที่ทำให้เราหมุนไปในวัฏฏะสงสารไม่รู้จบจบไม่รู้จบสิ่งคืออวิชชาตัณหาปัฏฐานมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมันผสมปนเปไปกับกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นเหตุให้มันดิ้นตัวได้มันเป็นเหตุให้มันสับเปลี่ยนที่อยู่ที่ต่ำสูงต่ำ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้โรมสามารถแยกที่สิ่งที่ผลเปื่อนมาเป็นเหตุได้พบได้ชาติเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารความมีพบมีชาติระงับได้จริงหรือ ม, มีวิธีงไงที่เราจะปืนร ง, งับระับลงได้เพราะสิ่ัเหนี้มีเหตุมีปัจจัยที่หนุนให้มีภบให้มีชาติเหตุปัจจัยหนุนให้เกิดภบให้เกิดชาติอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเราไปดูสิความยึดความถือนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบคือที่เกิดชาติชาติชาติแปลว่าชาติ คือความเกิดพบของใครความเกิดของคนคนนั้นไปเกิดตามบุญตามกรรมอ่าปุปาฐานการยึดมั่นถือมั่นยึดยังไงถือยังไงไปเกิดยังไงยึดยังไงถือยังไงไปเกิดยังไงเราไม่ต้องตายจากอัตภาพนี้หรอกแค่เรานึกเราคิดเราตรุงเออออกจากนี้ไปเราจะไปดื่มน้ําน้ําอะไรแช่แชน้ําอะไรอร่อยอันนั้นยังเหลือตกค้างอยู่ มันยึดแหลยนั่นคือพบแล้ว <c oughs> คือพบแล้วพ่อแกนี้ไปก็ไปโผล่ะไปโผร่ที่นู่นหลยไอ้ตรงที่เราคิดนั่นแหละนี่คือเราเรับเปรียบเทียบความเป็นไปของกายความเป็นไปของจิตแต่กายนี่จะเป็นไปนตามจิตจิตไปโผล่ที่ไหนควรจะได้กายเกี่ยวกับอะไรกมันก็ได้อย่างนั้นควรจะได้เป็นสัตว์ควรจะได้เป็นสัตว์นรกควรจะได้เป็นอะไรก็ได้เป็นตามนะั้น ตามบุญตามกับเนี่ยดับได้ไหมพบเน่ยดับได้ต้องดับอุปาทานเอาอะไรมาดับอุปาทานอุปาทานนั่นคือความยึดถือในใจของเราในใจของเรายึดจริงๆรหรือยึดจริงๆริงไหมย้อนเข้าไปในใจของเรามันยึดจริงๆริงไหมในใจของเราข้อมโนที่เราฟังได้เลย น้ำแล้วก็น้านั้นยังเหลืออยู่อะน้ํานั้นยังเหลืออยู่นั่นนั่นคือพบมันหมายเอาไว้แล้วใจมันหมายเอาไว้แล้วอ่าพอลุกจากนี้ไปไปโผล่ที่นู่นเลยลุกจากนี้ไปไปโผล่ที่นู่นเลยนานคืออุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบอุปาทานมาจากอะไรตัณหา ความดิ้นรนของใจความที่โยติยาของใจความอยากตัณหาแปลว่าความอยากความดิ้นรนความเสี่โยติยาของใจการตัณหาเพราวะตัณหาไม่ภาวะตัณหาแต่เราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ต้องไปแยกหรอกเพียงแต่กำหนดดูความอยากเราจะเข้าใจเองนักปฏิบัติเรากำหนดดูความอยากเราจะเข้าใจเองความอยากเกิดที่ใจของเราคิดนึกถึงเรื่องการถ้เรื่อการตัณหา คิดนึกถึงเรื่องความอยากมีอยากเป็นที่เียกว่าภาวะทังหาคิดนึกถึงสิ่งที่เราเกิดมาแล้วมันไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นเช่นอย่างมันต้องแก่มันต้องเจ็บและมันต้องตายเอ๊ะทำไมาเราหลินเลี่ยดีไม่ได้มีความคิดที่จะไม่แก่ไม่อยากแก่มีความคิดที่จะอยากไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่แต่คิดอยากคิเฉยไม่รู้ข้อปฏิบัติ นี่จะเรียกว่าวิภพวะตัณหาอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากไม่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่ยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะเรียกว่าวิภพวะตัณหาอยากไม่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีใครมีใครได้อะไรสมใจอยากอยากไม่แก่ก็ต้องแก่อยากไม่เจ็บก็ต้องเจ็บอยากไม่ตายก็ต้องตายมีใครป ร, ปรารถนาได้บ้าง ปรารถนาไม่ได้อย่างใจหวังเพราะความปรารถากับสิ่งที่หวังว่าจะไม่แก่ว่าจะไม่เ่บว่าจะไม่ตายมันคนละเหตุคนละปัจจัยกันมันคนละอย่าง ก, กันคนละเรื่องกันมันเป็นมั น, นมันเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยไม่เชื่อมโยงถึงกันเหมือนหินหักคนละอยา่างคนละเรื่อง ความอยากของตันหานี่แมันคนละอยา่างคนละเรื่องที่มันอยู่ในใจของเราทันหาเป็นปัจจัยหเกิดป่าทานมีตะหนาในใจมันก็ยึบพายุดเราจะได้พบเราก็จะไปได้ตามที่ใจมันยนื่นอ เ, เอาอะไรมาตักทัญหากิเลสกราวิบา ตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสอันเดียวกันอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสอนุสัยโอคาอะไรต่างๆที่ท่านเรียกมาหลายอย่างมันอันเดียวกันคือกิเลสตัวเดียวกันเกิดขึ้นที่จิตของเราเกิดขึ้นที่ผู้รู้ของเราอยู่กับผู้รู้ของเราอวิชชาตัณหาอุปาทานเอาอะไรมาตัดมัน กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากถ้าเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราเอาอะไรมาตัดมาระเราอยู่กับผลงานของมันผลงานของมันเพิ่มขึ้นกิเลสพาเราทํากรรมผลออกมารายได้ออกมาเป็นเรื่องของกิเลสเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสที่จะเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติเท่านั้นทํากรรมวิบาก เอาธรรมมาเจริญในใจของเรากิริยาที่เราเจริญนั้นเป็นการประกอบกรรมผลรายได้ตามมาเป็นวิบากเป็นผลรายได้ของธรรมอาชินกรรมคือความเป็นอยู่ของเราถ้าเราปล่อยชีวิตจิตใจของเราล่องลอยเลื่อยเปื่อยตามบุญตามกรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็เรื่องของกิเลสท่านนั้นถ้ามีธรรม แบบแปเข้ามาในใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆด้วยเหตุที่เราเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มี ม, มนุษย์เสียฐานมันมีสิ่งที่เป็นพื้นเป็นฐานรองบาดรองฐานอยู่ที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงกระแสธรรมได้เข้าเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องธรรมะได้แต่ต้องยิ่งด้วยการสร้างบา ร, รมีปรารถนาความรู้ความเห็นความฉลาดเมื่อยา่างพระพที่จ้าทดสอบแสวงหาต้องสร้างบา ร, รมี บารมีสิบบารมีสามสิบทัดท่านบารมีท่านปอบารมีท่านบรมัทธบารมีเสียสละอัตภาพร่างกายของตัวเองขอยด้านคอยห้ไ ด, ได้ความตายไม่มีคุณค่าอะไรเรือตายช่างมันเถิดขอยห้ได้สิ่นงนี้ขอยห้ได้สิ่นงนี้เอาความตายเพื่อจะแลกเอาสิ่นงนี้ก็ยอมแลกเพราะฉะนั้นกล้าเสียสละชีวิตได้ชีวิตนี้ไม่มีคุณค่า ถ้าหากเสียสละชีวิตนี้แล้วเป็นแห่งเราได้อัดได้ทาได้บรรลุปเป็นพะสมาสามโพธิญาเราเอาเราต้องการเนความตายชีวิตนไม่มีคุณค่าเลยไม่ต้องพูดถึงทานเฉยๆธรรมดาเข้าของนอกกายทานลูกทานเมียเนี้ยดูในพระเวทสั ด, ดทานลูกทานเมียทานทานบุตรทานภริยานนี่คือทานอุปบารมี ทําได้ยากขึ้นสูงไปกว่าทานคนคืนธรรมดาทานประมัทาทพรมีทานชีวิตชีวิตไม่มีคุณค่าเลยรักอยูชีวิตไงแต่รักพระโพธิญาญยิ่งกว่าถ้าเราสละชีวิตนี้ไปแล้วเป็นเหตุให้เรามีอานิสงส์พร้อมที่จะเดินเข้าไปสู่ความเปนมุตหลุดพ้นเป็นรพระสัมมาสัมพธิญาณได้เสียสลักโองคเสียสลัก ต้องตั้งความเสียสละที่า่ามีถึงจะรู้รู้ข้อปฏิบัติรู้เรื่องรู้ราวของอัดของธรรมที่จะเป็นการสงบระนับดับมันได้เพราะดับมันได้แล้วับเอามาสอนชาวโลกตั้งเป็นศาสนาแต่ เ, เรียกว่าพุทธพุทธะพระโพธิญาโพธิญาบรงลุเพื่อคุณสมบัติของพระองค์เองด้วยสติด้วยปัญญาของพระองค์เองตามหลัก อาิยสัตว์ทั้งสี่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นอีกอรารยสัตว์ทั้งสี่คืออะไรเข้าไปรู้เรื่องเหตุเรื่องผลอ๋ออันนี้เป็นเหตุที่ใช่ให้เกิดผลอันนี้อันนี้เป็นผลมาจากเหตุอันนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดผลเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้ผลตัวนี้แหละในตัวมันเองมันเป็นเหตุให้เกิดผลอีกตัวหนึ่ง ผลตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดผลอีกตัวหนึ่งมันมัดกันมันคล้องกันเหมือนลูกโซ่เหมือนลูกโซ่โซเพราะฉะนนการรู้ธรรมขอพระองค์ที่พรงค์ทรงอธรรเป็นวิชาความรู้ที่พระองค์ทรงทบทวนตอนพระองค์สวยมีมุติสุขนั้นนะ่ะพระองค์ทบทวนสิน่งอะไรด้ลยทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ย โอ้เรารู้อย่างได้อย่างนี้เราเข้าใจามาอย่างนี้เราหลุดมาในนี้เราพ้นได้อย่างนี้อ ง, น อ, งองทรงแสดงที่หลังรอริยสัจ ท, ทั้งสอย่างละเอียดใช่ไหมแล้วพูดถึงทุกกายเป็นทุกใจเป็นทุกทุกเป็นก้อนทุกกายร่างกายเป็นก้อนทุกใจนามธรรมก็เป็นก้อนทุกมาจากไหนมาจากเหตุแน่ จับผลมาสาวไปหาเหตุนะจับผลมาสาวไปหาเหตุมาจากส่งไทยทุกส่งไทยนิโรธมากที่ท่นพุทธนสันหลักญญาสัจสี่ส่งไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกนิโรธความดับทุกมัคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกนิโรธเป็นผลมัจเป็นเหตุ ทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเหตุคือมรรคเป็นเหตุระงนำดับทุกแม่ใช่ไหมนี่เข้าหลักเหตุกับผลพระเจ้าได้มรรุ ธ, ธรรมเป็นธรรมะที่หลวงไม่เคยได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นมาแต่การไหนๆ ไ, ไม่เคยเห็นไม่เคยมีบัตรใครบอกใครสอนสรนปุบเบอ น, นันตสุเตสุธรรมเมสุ เป็มะที่ผมไมเคยได้ยินได้ฟังเคยฟังมาจากใครเลยไม่เคยมีใครบอกใค้สอนพระองเลยตั้งแต่กันไหนไหนปุ๊บบยอันนั้นสุดเตสุดทองเยี่ยมสุดท่านงเสด็จไว้ในหลักธรรมจักรไปดูเป็นธรรมที่ผมไม่เคยทรงได้ยินนียทําให้พระงเกิดยาเกิดจักสุเกิดยาเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างโลโก้สวางสวายไปหมด เกิดจัตสุขเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดวิชาวิชาแปลว่าความรู้แทนที่จะเป็นอวิจาอวิชามันครอบคุมให้เราเมื่อวิติบบังเหมือนความมืดมาบดมาบังดวงดวงปัญญาในใจของเราอวิชาแต่วิชา เกิดขึ้นจากญาณญาณทัศนละสัรงรวมได้รู้ได้เห็นเกิดจากสุขเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาวิชาไมายาวิชาเนกะิดวิชาเป็นความรู้ทั่วทะลุปรุโ ป, ปรงหมดถ้าเป็นก้อนปมกลมก็ใสสว่างหมดเต็มรวมอวิชชาเป็นความสว่างยิบยิบเจบเจสว่างนิดหน่อยมืดหมดทั้งรวม สว่างข้างล่างมืดข้างบนสว่างข้างบนมืดข้างล่างสว่างตรงไหนก็ตรงข้ามเพ า, ม, า ม, ม, มันมันมืดอวิชชาจิตมันรู้อยู่ถึ่มันรู้ไม่จริงรู้หลอกรู้โกบกรู้ต้องรู้ไม่เหตุตรงกับผลรู้เหตุไม่ตรงกับผลจับผลสาวไปหาเหตุที่ผิดผดิจับเหตุก็จายไปสู่ผลที่ผิดผิดเหมือนอย่างพวกเรา แก้ปัญหากันอะรเราแก้ปัญหาด้วยอวิชาความมืดบดแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหามันเป็นการมัดแทนที่จะเป็นการแก้แต่มันเป็นการมัดเพราะอะไรเพราะตัณหามันอยู่ในใจของเรามันยุ่ใหญ่ใจของเราให้ทําอะไรตามใจชอบทุทุกครั้งไปแน่ อยากจะแก้ชี้ไปชี้ไปเหตุผิดชี้ไปเหตุทีผ่ผิดผิดต้องการจะแก้ให้หลุดแต่กลายเป็นมัดมัดมัดมัดเอา้านาตึบกรไปอีกเลยจึงแก้ยากกระปีแล้ยต้องการให้ ข, ขาวต้องการให้ขาวขามาแต่ว่าไปจุมไปจุมสีดำํำซะเนี่ยเอาไปเขียนก็ต้องเป็นสีดําผิดหวังอีกแล้วผิดหวังอีกแล้วเนี่ย เพราะอไรเพราะเราไม่มีไม่มีจัตสุษไม่มีญานไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างในใจเราที่มีความรู้เรามีความรู้เราเรื่องเหล่านี้เราไม่มีพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่เล่นี้เลยอามาบอกมาสอนพวกเราเพระองค์ถ้าหากพระองค์ไม่มียานไม่มีปัญญาไม่มีวิชาแสงสว่างเหล่านี้พระองค์ไม่ปฏิญาณตนว่าพระองค์บสุด โดยเห็นที่รอกได้ยานยานในหลักอริยสัจทั้งสี่ที่ท่านพูดเอาไวนะ้เนี่ยลูกเห็นว่าอันนี้เป็นทุกุรุยานนะรู้ว่านีโมนี่ทุกุรุยานทุกคนกําหนดละทุกทุกควรกําหนดรู้กำหนดรู้แล้วยานบอกอีกว่านี่สมุทัยสมุทัยควรกำหนดละละได้แล้วยาน ยานทัศน์บอกรู้โดยธรรมชาติไม่ไม่ต้องมีใครบอกนี่คื อ, อยาความยังรู้ของพระองค์ทุกว่านินโรธความดับทุกความรู้ทุกคนทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วอันนี้คือมั่คือข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกปฏิบัติแล้วเนี่ยพระไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาแต่การก่อนที่พระองค์ทรงแสดงละเ อ, อยียน แล้วก็มีปัญญามีจักสุมีปัญญามีญาณมีมีจักสุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างในพระไตรมาตร์พระองค์จนกิเลสตัณหาความมืดบ่อนหัวใจของพระองค์ในพระไตยของพระองค์หือแห้งหายไปหมดที่พระองค์ได้ตรัสรู้อาสวัคคยญาณตรัสรู้มีญาณ อีกอันหนึ่งบอกว่าอาสวะในใจของพระองค์น่ะเหือดแห้งหายไปหมดหายไปหไหนไมาไหนมาลุกหายหน้าไปเลยพระองค์ราแพ์ภาพศิลปะทำแบบนี้ทาให้ศินั้นเหือดแห้งหายไปหมดนี่เราดูที่วุญญาบารมีของพระองค์่สามารถเข้าไปสลุกไปฉลวงไปรู้ได้ฟื้นได้ฟื้นได้ออกได้นี่เรารู้ว่าออ้เป็นอะเกิดพบาอุปาทาน อะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานตัณหาอะไรเป็นเหตุดับตัณหาสติธรรมปัญญาธรรมตัณหามันคอยจะเกิดในใจของเราเหตุปัจจัยของมันมีพุ่งไปหมดเป็น ร้อยๆเป็นพันๆช่องกิริยาที่จะพูดไว้พอประมาณหกสิบช่องเกี่ยวกับเรื่องพาธิภัณฑภายในตามหูมือลิ้นปลายใจโรคเชิงนิรนทษ ภ, ภาธรมรมรงเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหกพัดศักหกเวทนาหกเวทนาเป็นที่ไปชุมรวมของธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะทํางานเราจะต้องเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาของเรามากําหนดจดจอ่จอจับตัวนี้เลย ถ้าเราจับไม่ทันตัณหาสวมรอยจับไม่ทันตัณหาสวมรอยพอตัณห า, าสวมรอยเข้ามาแล้วสุขเวทนาก็ปลอยยินดีทุกเวทนาก็ปล่อยยินร้ายอันนี้หมายความว่าเราจับไม่ทันตัณหามันสวมรอยเอาอะไรไมาจับเอาสติธรรมเอาสัมปชัญญะธรรมเอาสมาธิธรรมเอาปัญญาธรรมมันจะล่อมหลอมรวมอยู่ในจิตรวงเดียวเลย เราเรียกออกมาแล้วว่าอะไรมันเป็นอนั้นทั้งหมดเวลานมันไปนทำงานตะลอ่ลอมร้อมรวมกันมาเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่ามรรคสมาีมรรคสมา ร, มามารีมันหลอมรวมอยู่ในใจของเราทั้งหมดเอาสติทำมาครับเพราะสะติตัวนี้เป็นคุณสมบัติของใจเป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมของใจ ความที่เราตื่นรู้โรู้อยู่เฉพาะหน้าของเราหรือหรือระลึกได้เป็นขณะขณะขณะขณะสว่างโรูโ้ตื่นเแื้อตื่นตัวรู้รู้รูนี่คือตัวสติอาศัยตัวตื่นตัวนี้แหละเป็นปวิชาความตื่นรู้ถ้าเราไม่ตื่นเราก็ถูกโมหะความลุ่มหลงความหลับไหนปิดบังสติปัญญาปิดบังหมวใจของราทำให้เารานั่งหลับนะ กระามผสมรอยเอาไปใช้แล้ววันวันตามหลังตันหาต้อยต้อยต้อ ย, อย ไ, ปไปรักไปจังไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาไปริษยาไปพยาบาลไปอะไรก็อะไรทุกเอาใจใส่ไปตรงไหนก็ทุกเอาใจใส่ไปตรงไหนก็ทุกนั่นคือเราตามหลังกิเลส ก, ก็กําลังตามหลังตันหาด้วยเหตุที่เราตามหลังมันใจเราซศร้าหมองความซ้ําหมองของใจท่านใช้คาใช้ศัพท์คําว่ากิเลสศกิเลสศ หรือว่าสภาพที่ทำให้ใจเศร้าหมองมันคือกิเลสอันเดียวกันตัณหาอันเดียวกันอุปาทานตัณหาอาวิชชากิเลสอันเดียวกันการตั้งใจเผานะ้า ใ, ใจได้รับความสมบเราต้องอาศัยสติอาศัยสามัญญาคํากับดูแลกิตของเราอยู่ต่อเรื่ออง จนไม่คลาดสายหูสายตาของจิตจิตเล็ดหน้าออกไปไม่ได้มีสติสัมปชัญญะควบคุมกระบวนกาดจ่อจ่ออยู่พุทโธพุทโธพุทโธจ่อจ่ออยู่ไม่ปล่อยมันคลาดสายหูสายตาจนจิตสงบแทนที่จิตจะถูกต่าหามันสวมรอยเอาไปใช้เกี่ยวกัเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องเสียงเรื่องร้องเรื่องสัมผัสมันเอาไปไม่ได้เพราะเรา ปลกตัวสติธรรมตัวปัญญาธรรมมาใช้งานมาทํางานอันนี้เป็นขุนพลที่มีกําลังมีพลังมากสำหรับมากํากับดูแลใจคือเจ้านายใหญ่ใจเจ้านายที่ใหญ่กว่าใจอีกก็คือสติธรรมคือปัญญาธรรมเจ้านายฝ่ายดีเจ้านายฝ่ายขาวถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายชั่ว เจ้านายฝ่ายดั่งก็คือกิเลสเวลาคำถามสูงหน่อยขึ้นมาปั๊บมันก็เอาจิตขอเราไปใช้ะแต่ใช้เพื่อรักเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเพื่อคิดเพื่อทําอะไรให้มันสมอยากสมใจทําให้สมอยากทําให้สมใจสมอยากตามหน้าของธนาเหตุมันจะคิดนึก ตะล่อมมาที่ใจเราเอาทั้งหมดอ่ะ น, นั้นก็เอาวันนี้ก็เอาอนนั้นก็เอาอ น, นั้นก็เอ า, อนนเอาหวังจะให้ตัวเองดีๆวิเศษวิสุทธ์หมดทุกอย่างทุกเรื่องคิดเอานึกเอานึกเฉยแต่สิ่งนั้นๆมันเป็นไปนตามเปลี่ยนตามปัจจัยของเขาคิดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ร่างกายมันไม่รู้เรื่องด้วยเพราะร่างกายมันอยู่ได้เหตุด้วยปัจจัยเหตุปัจจัยของมันก็คือดินน้ำลมไฟเห็นไหมเราต้องใส่เข้าปลาอาหารเข้าไป สองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังเช้ามันไปมดไปย่อยไปขยี้อะไรจนหมดเลยมันบกพร่องแล้วมันแสดงความหิวขึ้นมาอีกแล้วหาใส่ให้มันอีกบกพร่องเข้าไปแล้วหาใส่เข้าไปอีกเจริญในไว้ทุกควรเจริญเสื่อมในว้ยที่ควรเสื่อมตายเวลามีอะไรมากระทกกบทกระ ท, ท, ทั่งกระแทกทับถมโจบตีอยู่ไม่ได้ระบบระบ บ, บบเสียชีพหมายตาย ถึงอายุไขก็ตายไม่ถึงอายุไขก็ตายตายตั้งแต่ในท้องก็มีคลอดออกมาตายก็มีโตขึ้นมาสักหน่อยตายก็มีปูนไฟกลางกลางเนะี่ยตายก็มีอปัดฉิมวัยวัยสุดท้ายวัยเท่าแก่ชราตายก็มีไม่กลับว่า วัยใดไม่กําหนด ว, ว่าเพศใดวัยใดสามารถตายได้ทุกภาวะภาวะของความตายสามารถตายได้ทุกอย่างตัณหายึดยึดไม่อยากให้ตายยึดไม่อยากให้เป็นเปลี่ยนแปลงทงัทง้งๆที่อัตภาพร่างกายมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอนันอื่นอย่าง ทนอยู่มาได้เป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจมันเกิดไปตามภาวะของไตรลักษณ์ที่มีประจำกองสังขารกองสังขารรูปก็มีไตรลักษณ์ประจำกองสังขารนามก็มีกองไตรลักษณ์ประจำอยู่กับเรานี่แหละแต่ถ้าเราไม่ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหย่อนมันดูยอ่อมานดูเราไม่เห็นเราอยู่เท่ากลางความรุ่มหลงของกิเลสทั้หา เราดไม่ออกรดงไม่เห็นทูกข์มันปวดบ้นอแบบาจิตของเราอาจิตของเราไปใช้อยู่โหดร้ายโหดร้ายทารุณขนาดไหนก็าตามยอมตามนะมันต้อยตอยเพราะไม่มีฤทธิ์ไม่มเดชที่จะสวมหน้าเขามันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึงพวกเราจะมืดบอดตีมตันฮเจ้า อ, ออกอันอยู่ในโลกธาตุนี่ไม่มีเจ้าบ อ, อกไม่มีที่ออก เป็นมหาปราชมหามัณินขนาดไหนก็ตามทิฏฐิที่คนทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจในโลกหกสิกว่าที่ิฏฐิที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ถูก ข, ขังอยู่ในกรงของ ว, วัดวัตัดสงสารทั้งนั้นขังอยู่ในกรงของกิเรนธาอาสะชวานหาเจ้า อ, ออกไม่ได้ แต่ทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเน่ะเป็นทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ตามที่มันมีอยู่จริงเป็นนี้ตามที่มัเ น, น, เ, นเป็นอยู่จริงเป็นนี้รู้ยังไงเห็นยังไงเป็นยังไงจริงอย่างนั้นเห็นตามนั้นทั้งหมดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีหลอกไม่มีต้องไม่มีหลอกตัวเองไม่มีต้องตัวเองไม่มีเชื่อยอย่างผิดผิดแล้วก็ไม่ไม่สอนแบบผิดผิดไม่สอนแบบต้มตุน๋นหลอกลว ตอนอย่งไปตรงมาเพื่อระดับความทุกข์ได้จริงคําสอนของพระองค์มีพระองคจึงสอนสมถะจึงสอนไม่ปรนนานะจากนั้นก็มีสีนมินนนมนต์สมาธิสมาธิหนุนปัญญาสีสมาธิปัญญาเป็นบทสรุปอริยมรรคเปรตสุมาทธิสีนิสมาธิที่ปัญญา สมาธิปัญญาเวลาเราทําพรา้องมันรวมอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าเราจะแยกแยกว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแยกว่าเสียงโอ้แยกว่าสมาธิมันก็มีอยู่ในนี้แยกว่าปัญญามันก็มีอยู่ในนี้มันจะร่อรงหลอมรวมมาเป็นอันเดียวกันแต่เวลาอามาพูดแยกกันนั้มันพูดแยกกันนั้นมันพูดอเวลาจิตมันสงบสงบอยู่เด็กด้วยบทปัญญามันก็สงบ สงบจากอะไรสงบจากตัณหาสมถะจิตสงบสงบจากอะไรสงบจากตัณหาปัญญาความรอบหูและกอสังขารสงบสงบด้วยปัญญาเพราะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเห็ น, หนปันจจัยของตัณหาตัณหาเหล่านั้นหายหน้าหายตาหายตัวหายตนไปหมดไม่มีตัวตน เป t t time, ็นสัตยธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นก้อนเป็นแท่งให้ปปรากฏสักแต่ว่ายิเดียอาการที่ดีดิ่มอยู่ในหัวใจขสันดานของใจที่เราพูดตรงๆเข้าไปแล้วคือสันดานของใจของเราที่เรายังไม่เคยฝึกหัดัดแปลงปัญหาที่อยู่ในหัวใจของเราท่านจะให้เจอสมถะเราจะเจอเป็นโฆษณาที่จะมาเห็นหน้าเห็นตา อภิชาตห า, าวปาฐาต้องเจริญสังขารต้องเจริญวิปัสนาพระญุทาท่านอาบทใหญ่มาให้เราเจรอบทสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานบทสติปัฏฐานกายเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์ธรรมเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานก็คือเป็นอารมณ์ของวิปัสนา เป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่เป็นอารมณ์ประเภทว่าใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องดูธรรมวิทยะสอดส่องดูพิจารณานะที่ไปที่มาไม่ใช่กำลังไม่ใช่กำลังจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเมือย่างเราจ่อมาที่พุทโธพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ผู้ปสน้าสามารถพิจารณานะ หลายอารมณ์ที่มันตลมล้อมรวมมาเป็นเหตุเป็นปจัจจัยในการในกันไ ล, นล่ต้อนไปจนเห็นรากเห็นเงาเห็นตน้นเห็นต่อของมันนี่เรียกว่าาแต่ต้องอาศัยสมาธิหนุนเพราะฉะนั้นเราเจริญทั้งสมาธิเราเจะเดินทางปัญญาหอุงตาท่านจึงสอนสอนให้เดินสมาธิแล้วเดินให้จริงจังเข้าไปจึงได้รับความสงบมากน้อยเฉลี่ยต้องการเจรินทาง เดินปัญย้ายจิงจันเข้าไปสลับไปด้วยกันเหมือนขาขวาข า, ข า, ขาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขว า, า, ขาอาศัยซ้ายขอาเนี่ยเดินขยับเข้าไปขยับเข้าไปเดินเดินไปเดินมากเดินไปเดินเรื่อยๆใช้กำลังมากๆากแล้เหน็บเหนื่อยพักผ่อนพิจารณาด้นานปริปาสนาเพื่อความรู้รู้เท่าตันถสิ่งที่มันมันเป็นไป เหนื่อยท่านให้เข้าสู่สมาธิอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวไต้องไปคิดพิจารณาแย่อะไรมากจิตสงบแน่วอยู่กับอารมณ์เดียวจิตมีพลังเอามาเดินต่อเมื่อเราเดินเดินเดินเดินเดินเหนื่อยเราก็หยุดพอหยุดมีแรงเราก็เดินไปเดินเดินเดินเดินเดินสมาธิยุทธาสตรท่านจึงให้ไปด้วยก็ไปสลับกันไปไม่ใช่เรอสอนแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช่สอนแต่ปัญญาย ส, ส้อสอนว่าสิ่งเหลนี้เกือหนุนกันเจริญปัญญาก็มาเจริญตามหลักมหสติปัญญาเาาาาานี่ยแหละพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาให้เห็นเอ น, นี้จากทุกขักน้นตอนพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นอะไรเพื่อจะเอาหลักเอาหลักฐานเนี่ยมาเสนอหน้ากิเลสให้กิเลสมันจำนนจำยอกิเกลสั้งหม่เห็นไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ยอมนะ มันจะไม่จำลองจำย่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่เลสเห็นแล้วมันสงบระงับดับหายหน้าหายตาไปก็คือนิจจังทุกครังหน้าตาร่างกายอนิจจ์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปความสุขทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปความยินดีทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปความยินร้ายทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปอะไรก็ต้องเปลี่ยนไปอะไรก็ต้องเปลี่ยนไป ใจมันพิจารณาสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปจนรู้จนเห็นจนเข้าใจเหปัจจัยเข้ามาใจมันก็ถอยมาถอยมาถอยถอยมาไม่ยึดไม่ยึดด้วยมากความนุ่มโวลเพราะเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นพิชเห็ น, หนภยัยเของมันครับไม่ย ด, ดีไม่ยึดกับยนดีไม่ไม่ยึดความยนดีสุขควยธนาไม่ยึดความยิ ด, ด, ย ด, ยดีทุกคุยธนา ไม่ยึดอาตุกรรมสุ ข, ขความเบืน่ายความจะวยินดีก็ไม่ใช่เจ้าวายยินร้ายก็ไม่ใช่แต่มันพร้อมที่จะยังซ้ายยิงขวาอุกรรมสุขเนี่ยแท้ที่จริงอาตุกรรมสุขเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แสดงให้ปรากฏชาติจิตของเราเราเอาสติมรำมุนจดจ่อคอยจับตัวนี้แหล ะ, พะเพราะฉะนันมันกระโดดกรดิกขึ้นอยู่ในจิตของเราตราบใที่ตัณหามันสวยอยแล้วมันเกาะหน้ ม, มันแสดงความอยากออกมาเ ป, เ, Susan, เป็นเห็นให้สุขเป็นเห็นให้ยินดีมันก็ยิยนดีเป็นเห็นให้ยินร้ามันก็ยิยนร้ายไอ้ ย, ยินดีกับยินร้ายมันมีคุณเท่ากันเป็นถึงผลจากที่ตัณหามันเสียแสนย้นเกลย่านเราที่เราเกาะเราถึงท่านว่าเห็นจกากตัวเห็นได้ยินจกากตัวได้ยิ น, เ, นเพราะว่ามีสติํากับรู้จ่ออยู่ มันมีผู้รู้ที่ตื่นรู้อยู่ด้วยสติเพื่สัมจัญญาเ่ยรุแรงกวา่าอารมณ์ชั่วที่มันจะประเสดงบทบาทในมโนใจของเรามันพิโร่ขึ้นมาไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่มีในใจเราหักล้างสภาวธรรมสภาวธรรมที่ดีเยี่ยมกับสติธรรมปัญญาธรรมหักล้างสภาวธรรมที่เป็นอวิชชาความมืดความบกที่เป็นสภาวธรรมความทุกข สบายว่าทําความสุขหากล้าเสื่อมนั้นให้ทั้งหมดตทำรูตามเป็นตามควาใจความทุกข์ก็เกิดไม่ได้ใเมื่อเรามียึดเวทนาตัณหาเราก็ไม่มีตัหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตัณหาใหม่ไม่เกิดเราปิดกั้นตัณหาใหม่ไม่ให้เกิดตัณหาเก่าที่มีเราก็พยายามพิจารณาพิจารณาดูความร่วงลงการรยพราะเรายึดกาย เรายึดเพราะว่าเราลุ nan, ่มหลมเราไม่รู้รูปปิตจของเขาท่านถึงให้เราพิจารณาแยงให้เป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นนินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟให้เราพิจารณาพิจารณาเนียนเหนือเข้าสู่ความสนุกสงบมีกําลังก็พิจารณาเกิดปัญญาพิจารณาทำหลักมหาเศรษฐีประทานพิจารณาเพื่อให้เรายินดี ให้ใจเราดีดีให้ใจเราดนร้าพิจารณาไปพิจารณาไปมันทันตัญหาความยินดีไม่เกิดที่ใจเราจริงๆความยินร้ายไม่เกิดที่ใจเราจริงๆสัจธรรมรู้แล้ก็ตกไปสัตวรรมรู้ก็ตกไปสิ่งเหล่านั้นไม่ตกผลไปที่ใจให้เกิดเป็นส like. ัญญาอารมณ์ไม่ตกเข้าไปเมื่อตกึลเข้าไปที่หัวใจเหมือนน้ากลิ้งบนใบ คื่นแล้วก็ตกครื่นแล้วตกครื่นแล้วก็ตกอุปาทานในเมื่อตัณหามันยึดไม่ได้อุปาทานก็โปรกไม่ได้เพราะมันขาดเส้นสายของมันระบบงานของมันขาดตัณหาโปรกขึ้นมาไม่ได้เพราะสติธรรมมันอยรกทำคำว่ารอตัณหาโปรกมาได้อุปาทานก็โกิดไม่ได้พบก็เกิดไม่ได้ไอ้ที่เราจะไปอบัตรูปไปรักกรทุกอีกมันก็ไม่ไป เพาะมันระงับดับสิ่งเหล่านี้แล้วมันหมดเส้นหมดสายหมดเหตุหมดปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นใช้ว่าดับดับอวิชชาตัณหาดับอวิชชาดับสังขารดับนามรูปนามวิญญาณดับนามรูปดับภัทสัดับเวทนาดับสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แต่คําว่าดับดๆในที่นี้หมายความว่า ตัณหามันดักตัณหาในหัวใจของเรามันดับต้องแต่อวิชชาไปถึงเวทนายังมีอยู่แต่ตัณหาที่มันจะยึดมันยึดไม่ได้มันดักตัณหามันดับดับเพราะอะไรเพราะกําลังสติกําลังสมาธิกําลังปัญญาที่เราทําสมถาอุปัชานนี่เยมันดับดับไปถึงเวทนา เวทามีอยู่แต่ตัณหาหักตัณหาไม่โปรตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดทีนี้หมดเลยนี่ตัณหาไม่เกิดตัณหาหมดอุปาทานก็หมดภพก็หมดชาติก็หมดไม่ต้องไปพูดถึงโสกัสภริเตวะทุกขโทมนั่นสัตวาภะไม่ต้องพูดถึงเราไปดูสาย้เกิดเมื่อเวลามันเกิดเกิดเกิดเกิดตัณหาเกิดตัณหาเก่ามันส่งมา โปรขึ้มนมาแตั้นหาใหม่เกิดดีเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาติมันก็เพิ่มพูมนทุยขูณบำรบกันอยู่อย่างนี้นะพอเวลาเราเอาบทธรรมะนี้มากำกับมาจดมาจอ่อก็ทำให้มันดับไปดูท่านพูดถึงสายนิโรธวาระนิโรธวาระคือสายดับสายเกิดสายดับตามหลักปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที <pouch. S 2> <bakery> ่อาศัยซึ่งการละกันเกิดธรรมะเหล่านี้อาศัยแตการละกันเกิดก็คืออะไรก็คืออริยสัจสี่ก็คือหลักเหตุผลเหตุผลอยู่ในนั้นในอริยมรรคโยมแปะเหตุผลก็อยู่ในนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหตุกับผลก็อยู่ในนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทเหตุกับผลก็อยู่ในนั้นมีแค่เหตุกับผลทั้งนี้เหตุผลของเหตุของสมุปของของเหตุ เหตุผลของเหตุให้เกิดสมุทัยเหตุผลของเหตุให้เกิดทุกเหตุผลของเหตุให้เกิดนิโรธเหตุผลของเหตุให้เกิดมรรคมันใช้คำพูดไปยังไงมันเกี่ยวข้องกับเหตุกับผลใช่ไหมนี่เป็นแนวเป็นแถวเป็นข้อปฏิบัติที่พวกเราได้ยินได้ฟังทั้งหมดต้องใจเอาไปถือเอาไปพูดพูดเอาไปปฏิบัติอ่าพอสมควรเก่เวลา ม okay. okay. <c oughs> ันใจมันใจเอาเออตอนนี้พระเราขอเนัยอใ